เขาพัาคนที่พูดชื่นชมคือเรียกว่าชมอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งกันต้องรู้ว่าสองคนนี้เขาเข้ากันได้เขามีเมตตาจิตต่อกันถ้ารู้ว่าสองคนเขามีเมตตาจิตต่อกันชมแกชมเขาชมอีกคนหนึ่งให้อีกคนหนึ่งฟังแต่ถ้ารู้ว่าเขาหมั่นไส้กันและกันอยู่เนี่ยนะไม่พูดถึงอ่ะดีที่สุดเนี่ยนะก็ะถือว่าเป็นเมตตาอย่างหนึ่งแล้วนะการที่เราไม่พูดอ่ะ เพราะอะไรเพราะเขาจะยิ่งร้าวรานันร้าวรันหนักกว่าเก่าเนี่ยนะบางทีเนี่ยเขาอาจจะวันหลังเขาอาจจะสามัคคีกันได้บ้างพอเราพูดร้าวรานกว่าเก่าแตกแยกกว่าเก่าไปอีกอันนี้ต้องระวังเนี่ยนะแค่ว่าประสานไม่ได้ยังไงก็อย่าไปซ้ําเติมกันแล้วกันต่อไปส่วนเมตตามนุก ร, รมทั้งต่อหน้ารับหลังก็คือว่า เจริญว่าขอให้ท่านนันทิยะกิมิลัผู้เป็นมิตรอันเป็นที่รักของเราเนี่ยจงเป็นผู้ไม่มีเวรขอให้มิตรอันเป็นที่รักของเราจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนขอให้มิตรอันเป็นที่รักของเราเนี่ยนะจงอยู่เป็นสุขอันนี้ชื่อว่าเมตตามนโนกรรมเมตตามนโนกรรมนี้ควรจเจริญทั้งต่อหน้าและรับหลัง ซึ่งพระองค์บอกพระนุรุธาเป็นต้นก็บอกว่ากายของข้าพระองค์เนี่ยนะต่างกันก็จริงแต่จิตของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยเอกันจะปณะมัญเยจิตตังเนี่ยนะแสดงว่าจิตของข้าพระองค์เนี่ยนะมีความเป็นอย่างเดียวกันเพราะทําอะไรร่วมกันไม่แตกแยกขาดสูนไม่ปราศจากการพร้อมเพียงกันและกันเพราะทุกท่านเนี่ยนะเก็บจิตของตนประพฤติตามอํานาจจิตของท่านนอกนี้ถามว่าเขาปฏิบัติกันอย่างไร ตอบว่าเช่นบาทของหนึ่งท่านสนิมขึ้นจีวรของอีกหนึ่งรูปเศร้าหมองข้าวของเครื่องใช้อีกคนหนึ่งเนี่ยอ่าบริต้อ ง, ต, องต้องบริบริพันดกรรมเนี่ยต้องช่วยเหลือซึ่งกันและการในกา ร, การจัดแต่งเสนาสนะเป็นต้นถ้าองค์อ่ะ น, นะคือหมายความว่าสองค์เนี่ยทุกคนมีงานที่จะต้องทําเหมือนกันหมดเช่นองค์ที่หนึ่งก็บอกว่าบาทเขาต้องระบมองค์ที่สองบอกจีวรเขาเุมเศ้าต้องยอมอะ น, นะมันหมองต้องยอม อีกคนหนึ่งบอกกุติรั่วมันต้องซ่อมไอ้คนที่สนิมบาดขึ้นที่บาดเนี่ยพูดขึ้นมาก่อนบอกว่าสนิมเกิดขึ้นที่บาดของผมผมเนี่ยจะต้องสมบาดตอนนี้ผมจะสมบาดนะครับองที่เหลือนอกนี้ก็บอกไอ้ององที่จีวรเศร้าหมองบอกจีวรผมเศร้าหมองมันต้องซักผมจะไปซักเพราะฉะนั้นผมจะไป อ, นะองคนะองนีจะไม่คิดอย่างเงี้ยเข้าไปป่าไปตัดฟืนเอามาสมบาด เอามาสมบาตรให้เพื่อนก่อนเพราะบาตรเพื่อนมันสนิมขึ้นเพราะฉะนั้นต้องสมบาตรให้เพื่อนก่อนของเราเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ของเพื่อนต้องมาก่อนเนี่ยนะแล้วก็พอพอทํานั้นเสร็จก็มาซักจีวร อ, อีกรูปหนึ่งบอกว่าจีวรของผมเศร้าหมองไอ้รูปบอกบาตรผมเนี่ยมันต้องสมนะบอกไม่ใครพูดก่อนคนนั้นทําตามคนนั้นไปก่อนแล้วกันนะคนที่เหลือแล้วค่อยมาตามกันทีหลังนั้นคนที่สามบอกซาลาของผมชํารุดอีกสองคนนั้นก็จะเก็บเรื่องบาเรื่องจีวร มาทำเรื่องศาลา น, นะขาขอให้ใครคนใดพูดก่อนนะ่ะถือเอาตามคำของคนนั้นเป็นประมาณคิดว่าเก็บใจเพื่อนของต น, เ, นนะเก็บใจของตนไปช่วยเหลือเพื่อนเพราะนั้นขอเอา ข, ของเราขอเป็นคนสุดท้ายก็ได้เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเ ม, เมื่อทำของเพื่อนก็เหมือนการทำของตนเนี่ยนะทุกคนก็มีความคิดแบบนี้เหมือนกันหมดความเมตตาความสามัคคีความปรองดองกันก็มีต่อกันและกันเชื่อไหมว่าคนที่ทะเอลาะ ก, กันคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะทำตัวตรงข้ามแบบนี้หมด ก็บอกบาดผมมันเศร้าหมองอารจีวอรของผมไม่ซักหรือไงเอากุฏิของผมก็รั่วแล้วใครจะช่วยผมแค่นั้นแหละสามท่านคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะเตรียมแยกวัดกันได้เลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จียงอนุโมทนาวาสาธุสาธุอนุรุธะแต่นะมันในหน้าส8ปดบอกว่า เมื่อพระพุทธเจ้าถามถึงเรื่องอาหารพระพิสุเหล่านั้นก็ตอบว่าไม่ลำบากด้วยเรื่องอาหารพระพุทธเจ้าไม่สาทุกการเลยไม่อนุโมทนาเพราะอะไรเพราะว่ากับพเรีงกราหารของสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันมีเป็นเรื่องอาจินเป็นเรื่องปกติใครก็กินทั้งนั้นแหละเกิดมาในโลกคนก็กินกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้จัอนุโมทนาทาไมเนี่ยนะ พราอะไร ก, ก็กินอยู่เนี่ยถ้ามา อ, อยู่ตรงไหนก็ต้องกินเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะทําให้เดือดร้อนเรื่องอาหารก็ถือเป็นเรื่องปกติไม่จําเป็นต้องสอบถามกันไม่ต้องอนุโมทนาการคุยกันพอตรงไหนจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปพอช่วยกันเสร็จแล้วก็แล้วกันไปแต่เรื่องการแตกแยกความสามัคคีกันเนี่ยอันนี้เป็นปกติปกติของชาวโลก ปกติจริงๆเลยนะแม้กระทั่งพ่อกับลูกบางทีก็ยังต่างเหตุต่างเหใจกันอยู่ใช่ไหมพ่อกับแม่ก็ยังต่างเหตุต่างเหใจกันอยู่ลูกกับหลานก็ยังต่างเหตุต่างเหตใจกันอยู่คือโดยมากแล้วโลกสันนิวานี่มันแตกแยกมากเลยนะที่จะสามัคคีกันเนี่ยน้อยมากเลยเนี่ยนะครอบครัวใดที่อยู่ด้วยความสามัคคีเนี่ยที่อยู่แค่2คนยังอยู่สองคนยังมองหน้ากันไม่ค่อยติดเลยเนี่ยนะยอมข่าวบอกว่าโอ้สองตายายเนี่ยต้องแยกกันอยู่ห่างๆน้ำคุยกันไม่รู้เรื่องเว่าะงั้น อยู่กันมาตั้งห้าหกปีแล้วน่าจะคุยกันพอรู้เรื่องแล้วมาคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะก็งั้นนะนะก็แต่ก็ไม่ใช่คู่เดียวนะเยอะมากเลยนะเท่าที่ได้ข่าวมาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ผิดเขาบอกว่าการผิดใจกันเนี่ยมีอบายก็ผิดใจกันนะเดรัชันก็ทะเลาะกันเก่งแย่งกันมเทวดาหรือมนุษย์ก็ทะเลาะกันพันเวลาที่สัตว์ทั้งหลายพร้อมเพรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยหายากว่านั้นนะ อยากให้ทะเลาะกันก็จับไปรวมตัวกันบ่อยๆเข้าไปเนี่ยเก็ทะเลาะกันหมดเลยนะตอนแรกก็เราว่าพอมองหน้ากันยังยิ้มยิ้ให้กันบ้างนะพอจับไปรวมตัวกันหลังก็ไมไม่อยากเห็นหน้าเลยเนี่ยนะเราก็อะไรนะหันหน้าหลีหนีที่สุดเท่าที่จะหนีได้เพราะความพร้อมเพียงกันเป็นสิ่งที่หายากเพราะทุกคนเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยนะเอาแต่ใจตัวเองไม่ไม่พยายามจะเข้าใจอีกฝ่ายเลยว่าอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรและอีกฝ่ายหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองจนจนเรียกว่า ร้องเรียกให้แต่คนอื่นมาเห็นใจเราไม่เคยเห็นใจคนอื่นเลยเนี่ยนะขอแต่ความเห็นใจจากคนอื่นโดยที่ตนไม่เคยเห็นใจคนอื่นเลยเนี่ยนะแล้วก็มีคมพูดที่ล่วงเกินคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะนั้นก็อันนี้แหละทำให้เป็นเหตุให้แตกแยกกันไม่มีเมตตาการขาดความสามัคคีกันมันจะต้องมีการทำอะไรให้พร้อมเพรียงกันสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยนะ มันที่พระองค์อนุโมทนาเพราะว่าความสมัครสมานสามคัคคีปรองดองเนี่ยเป็นเรื่องที่หายได้ยากในโลกเนี่ยนะและทีนี้ถามว่าไอตัวที่สร้างสร้างความแตกแยกสร้างความทําให้ขาดความสามัคคีเนี่ยเกิดจากคนพูดมากหรือคนพูดน้อยคนพูดมากเนี่ยนะพูดทุกคำมันสร้างปัญหาโดยมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่ที่มีเมตตาจริงๆเนี่ยเขาจึงระวังที่จะพูดถ้อยคำหนึ่งคำออกไป เพราะถามอะไรการพูดแต่ละคาออกไปเหมือนกับการโยนอะไรออกไปสักชิ้นหนึ่งเนี่ยนะถ้าเหมือนกับการอะไรนะมันมันเหมือนเหมือนเหมือนมีการกระแทกแล้วละเนี่ยนะเมื่อมีการกระแทกเนี่ยพร้อมที่จะแตกแยกกันมันคนที่เขาเป็นเนี่ยนะใช่วาจาเป็นจึงไม่พูดมากสมาคมเหล่าใดกลุ่มเหล่าใดที่สามัคคีกันเนี่ยนะสมาคมเหล่านั้นจะไม่พูดกันมากเกินไปเนี่ยนะกล่าวว่าพูดแต่พอประมาณเนี่ยนะพูดกันแต่พอประมาณ ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ถามพระพิสุท์ั้งหลายต่อไปในข้อ364ว่าอนุรุธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วหรื อ, อ น, นะพวกเธอเนี่ยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทปฏิบัติมุ่งคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยอยู่อย่างนั้นใช่ไหมพระอนุรุธะก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปแล้วอยู่นี่ก็ถามว่าาพวกเธออยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะเหตุเพราะเหตุอย่างไรคือพระองค์ถามถึงลักษณะของความไม่ประมาทเนี่ยนะว่าที่บอกว่าพวกเธอเนี่ยอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปมุ่งที่จะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพวกเธอทากันอย่างไร พระอนุรุธะเป็นต้นก็เล่าในฐานะโดยมาธฐานะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทะนนั้ท่านก็เลยเล่าถึงว่าลักษณะความไม่ประมาทให้ฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานพระวโรกาธพวกข้าพระองค์ผู้ใดกลับจากบินทบาทจากหมู่บ้านก่อนหมายว่าเข้าไปบินทบาทนี้เข้าไปในหมู่บ้านองค์ไหนกลับก่อนท่านผู้นั้นก็จะปูลาดอาสนะตั้งน้ําฉันตั้งน้ําใช้ตั้งถาดสํำรับเอาไว้ ส่วนท่านผู้ใดกลับจากบินทบาตในเวลาภายหลังหมายก็ว่าไม่ได้แปลวม็จจะต้องเดินเรียงกระดาน3องค์เนี่ยต่อๆกันไปไม่ใช่อย่างนั้นนะองค์ไหนพร้อมจะไปบินธบาตก่อนก็เดินเข้าหมู่บ้านไปเลยองค์หลังองค์ไหนพร้อมองค์นั้นก็ตามออกไปเมื่อบินธบาตได้หารกลับมาก็องค์ไหนกลับมาก่อนหรือองค์ไหนกลับไปหลังก็ตามสบายวันองค์ที่กลับมาจากจากหมู่บ้านก่อนเนี่ยนะพวกนั้นก็จะตั้งน้ําฉันตั้งน้ําใช้ตั้งถาดสํำรับ เอาไว้ใส่อาหารเอาไว้ส่วนผู้ใดกลับจากบินทบาททีหลังถ้าบิณทบาทที่เหลือจากฉันก็หากประสงค์ก็ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ไม่ฉัน น, นะหมายว่าอาจจะฉันที่บิณทบาทที่หมู่บ้านมาแล้วแล้วก็ได้มีอาหารมาเหลือมาเนี่ยนะถ้าประสงค์จะฉันอีกก็ฉัน น, นะหรือไม่ถ้าอาหารของตัวเองไม่พอก็เอาอาหารของเพื่อนที่เขาก็เอาถาดมาไว้อันหนึ่งก็จะ ถ้าเทอาหารเอาวางไว้แล้วก็ปิดเอาไว้อย่างดีเนี่ยนะถ้าประสงค์แกฉันก็เอาอาหารนั้นอนะฉันได้เลยเนี่ยนะถ้าไม่ประสงค์แกฉันก็เทในที่ปราศจากของสดเขียวหรือว่าไปที่ไปเทในที่ที่สัตว์ไม่ตายเนี่ยนะเก็บอาสนะเก็บน้ําฉันเก็บน้ําใช้เก็บถาดสหรับกวาดโรงพัดกวาดโรงอาหารผู้ใดเห็นหม้อน้ําฉันน้ําใช้หรือหม้อน้ําชําระว่างเปล่าผู้นั้นก็เข้าไปตั้งเอาไว้ นะถ้าเห็นหรือถ้าหากว่าทําแล้วมันเหลือวิสัยที่จะทําคนเดียวได้ก็จะกวักมือเรียกรูปที่สองช่วยกันยกเข้าไปตั้งเอาไว้พวกข้าพระองค์จะไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยเรื่องตักน้ํายกน้ําธรรมดาไม่คุยกันเลยเนี่ยนะไม่จำเป็นบอกอะนนะ้แค่กวักมือปั๊บก็รู้แล้วว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องการความช่วยเหลือและขณะเดียวกันทุกวันที่5ผ่านไปหวันเนี่ยพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาทํากันตลอดคืนอย่างรุ่ง พวกข้าพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่ด้วยประการชนิแลเนี่ยนะแปลว่าทุกองค์เนี่ยนะก็จะอย่านะเกื้อกูลกันดีมากช่วยเหลือกันอย่างดีแล้วก็ไม่สร้างปัญหาซึ่งกันและกันอธิบายเพิ่มเติมตามอัตถกถาว่าหน้าสิปกลางหน้าได้ยินว่าพระเทระเหล่านั้นเข้าไปพิกษาจารย์ไม่พร้อมกันพระเทระรูปใด สรูปนี้คือพผ้าฐานทั้งหมดเนี่ยนะองค์ไหนออกจากพระสมาบัติชําระร่างกายแต่เช้าตรูบําเพ็ญข้อปฏิบัติเข้าไปยังเสนาสนะกําหนดเวลาบินทบาทแล้วก็เข้านั่งเข้าพระสมาบัติก่อนพระเถระรูปใดที่นั่งก่อนก็จะลุกขึ้นก่อนเพราะกําหนดเวลาของตนรูปนั้นกลับจากบินทบาท น, นะกลับมาจากที่ฉันอาหารรู้ว่าภิกษุสองรูปมาภายหลังเราเนี่ยมาก่อนเพื่อนก็จะจัด บาตรปูอาสนะถ้าในบาตรมีอาหารพอดีเธอก็นั่งฉันถ้าเหลือก็ใส่ไว้ในถาดใส่สำรับปิดถาดเอาไว้ฉันเนี่ยนะทำภัตกิจฉันเสร็จแล้วล้างบาตรเช็ดน้ำในบาตรให้หมดใส่บาตรไว้ในถุงเก็บอาสนะถือบาตรจีวรเข้าไปสู่ที่พักของตนแต่ว่าอันไหนที่ภาระที่ตัวเองควรทำเนี่ยนะทำได้ทำเลยเนยนะ จะไม่ต้องรอรูปหลังๆมาแล้วก็จะไม่โยนภาระของตัวไปให้คนหลังๆไม่พยายามจะเอาเปรียบตัว น, นะคือบางคนเนี่ยบางทีคนก่อนนะบางเหมือนกับว่าทานเสร็จก็เอาถ้วยเอาแก้วเอาจานเอาอะไรไปวางกองสมุนสมไอ้คนที่ลุกทีหลังเนี่ยโอ้รับบานันเบอรเลยเหนื่อยนะครับเงาท่วมเลยนะมันก็เรียกว่าทําตัวโยนภาระไปให้อีกฝ่ายหนึ่งเพรา ะ, ะนั้นอะไรที่ตัวเป็นภาระของตนก็ก็ดูแลส่วนไหนที่เป็นภาระของตนทั้งหมดส่วนไหนที่ไม่ใช่ภาระของตนเอา ช่วยเหลือคนอื่นได้ไหมช่วยได้ก็ช่วยเนี่ยนะพอช่วยเสร็จแล้วตัวเองก็เดินจากไปอย่างสบายใจเนี่ยนะรูปที่สองมาแล้วก็รู้ว่ารูปหนึ่งมาก่อนอีกรูปหนึ่งยังไม่เข้ามาจากหมู่บ้านเลยมันถ้าบาทในพัดมีพอประมาณเธอก็ฉันถ้าหาว่าอาหารบินทบาทได้มาน้อยก็จะเอาอาหารจากองค์ที่บินทบาทมาก่อนมาฉันถ้ามีเหลือก็ใส่ไว้ในสำรับอีกนะให้รูปรูปรูปทีหลังมาฉัน รูปที่สามาถึงก็รู้ว่าสองรูปมาก่อนแล้วเธอก็จะนั่งทำพัฒกิจเหมือนพระเะเรรูปที่สองล้างบาทเช็ดน้ำให้หมดใส่ไว้ในถุงยกอาสนะขึ้นเก็บเทน้ำที่เหลือในหม้อน้ำดื่มหรือหม้อน้ำใช้แล้วก็คว่มหม้อเอาไว้เพราะอะไรเป็นที่กักขังของลูกน้ำเป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีพัดเหลือสำหรับฉันก็นำพัดนั้นอะอัะนะเอาไปอะไร ไปเทไปอะไรเรียกว่าดูแลความความสะอาดให้เรียบร้อยล้างถาดเก็บกวาดโรงฉันต่อมาเทหยากเยื่อยกไม่กวาดขึ้นเก็บในสถานที่พ้นจากปลวดถือบาทและจีวรเข้าสู่ที่พักอันนี้เป็นวัดในโรงฉันเนี่ยนะวัดในโรงอาหารของพระภิกษุทั้งหลายทั้งภายในป่าเนี่ยนะคือนอกวิหาร ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหม้อชาระเนี่ยนะคือคือพวกหม้อชาระหมายก็ว่าองค์ใหญ่ๆที่ต้องแบบต้องยกเนี่ยนะหม้อใหญ่ๆก็คงไม่มีองค์มังกรนะนะี่ไปอินเดียนี่ใครเห็นองค์มังกรบ้างไม่เห็นนะเขามาไม่เห็นมันมีองค์มังกรด้วยที่อินเดียนะอาจจะมีแต่หม้อแบบหม้อกลมๆใหญ่ๆเนี่ยนะ